อย่างนี้ต่อไปอาตมาภาพจะได้นำเอาคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาอธิบายเพื่อเป็นการเสริมความคิดของผู้ฟังเสริมหมายความว่าเมื่อฟังเทศ ก็อยากจะให้ความคิดของผู้ความนั้นดีขึ้นเสริมให้มันดีขึ้นหรือเสริมความคิดให้สูงขึ้นให้ประเสริฐขึ้นนี่ก็เรียกว่าเสริมเสริมความคิดให้ฉลาดขึ้นเพราะทุกคนก็มีความคิดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความคิดของเรานั้นยังไม่ฉลาดถึงที่สุด ฉะนั้นการเติมความฉลาดจึงหมายถึงว่าการทำความคิดให้เจริญขึ้นนั่นเองในด้านความดีจิตใจของเราไม่ได้คิดเรื่องที่ดีเสมอไปทุกครั้งทุกคราวบางครั้งก็คิดดีบางครั้งคิดไม่ดีนี่เขาเรียกว่าความคิดยังไม่มาตรฐานในด้านคุณธรรมการฟังก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งเพื่อฝึกฝนเพื่ออบรม เพิ่มปูลเติมความคิดนั้นให้มาตรฐานยิ่งขึ้นสร้างคุณภาพของความคิดให้มีมากขึ้นรวมความก็คือคนเรามีความคิดความคิดยังไม่ดีสุดขีดต้องมีการพัฒนาเรื่อยไปการฟังเทศเป็นวิธีการอย่างหนึ่งของการพัฒนาความคิดเด็กทำชั่วก็เป็นการทำทางกาย แต่ว่าจะเสียหายความประพฤติข้างในด้วยเสียหายนิสัยนะประพฤติทางกายประพฤตินั้นหมายถึงแสดงออกทางกายชั่วไม่ดีแต่ก็มาจากข้างในนั่นแหละทีนี้ถ้าประพฤติภายนอกด้วยกายไม่ดีพูดด้วยคําพูดออกมาภายนอกไม่ดีเสียงที่ออกจากปากปากก็เป็นกายนั่นแหละ ความไม่ดีด้วยกายด้วยวาจาที่เราแสดงออกเขาเรียกว่าประพฤติไม่ดีเีนี้ประพฤติกออกมาไม่ดีภายนอกนั้นมันก็จะเสียข้างในด้วยเขาเรียกว่าเคยตัวเขาเรียกว่าเคยตัวฉะนั้นกายทําไม่ดีปากพูดไม่ดีแต่นิสัยจะเคยตัวไม่ดีถ้าอย่างนั้นเราอ่านสิ่งดีๆอ่านบ่อยๆคงเข้า นิสัยดีก็จะเกิดขึ้นที่ใจฟังเทศฟังสิ่งที่ดีงามฟังสิ่งที่ประเสริฐฟังสิ่งที่มีเหตุมีผลอย่างนี้เรียกว่าเมื่อฟังไปแล้วเป็นเรื่องของหูฟังแต่ว่าสิ่งดีเหล่านี้ได้ยินเข้ามันไม่อยู่แค่หู แต่มันจะไปปรับปรุงความคิดให้ดีขึ้นด้วยจะเห็นได้ว่าการทำการพูดของคนเรานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตใจคือทำไม่ดีพูดไม่ดีบ่อยครั้งจิตใจจะเคยตัวนั่นมันถึงใจฉะนั้นเราจะประมาทไม่ได้เราจะปล่อยปละละเลยการกระทำการพูดไม่ได้ในเรื่องดีก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราพยายามฝืนพยายามฝึกตัวเองทำดีพูดดีรู้ว่าการทำอย่างนั้นอย่างนั้นดีรู้ว่าการทำการพูดแบบนั้นแบบนั้นดีเมื่อรู้หลักว่าอย่างนั้นอย่างนั้นดีเราก็ทำตามหลักนั้นทำตามวิธีนั้นเรียกว่าเอาหลักเอาวิธีมากำกับจิตใจแม้จะต้องฝืนนิสัย ก็ฝืนเพื่อให้ถูกหลักถูกเกณฑ์แม้บางครั้งจะมีอารมณ์ไม่ดีเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงเราก็ฝืนฝืนไม่ทำอะไรไปด้วยอำนาจของความโลภซึ่งมันจะเป็นไปเพื่อการเอารัดเอาเปรียบคือถ้าโลภแล้วทำไงถึงจะได้จะจี้จะปล้นจะคดจะโกงจะช่อฉน ทำได้ทั้งนั้นแหละเพื่อให้ได้นี่เขาเรียกว่าทำตามอารมณ์ที่โกรธไม่ได้ที่โลภนั้นไม่ได้อารมณ์ที่โกรธก็เช่นเดียวกันคนใช้ชีวิตแบบผู้ดีนั้นถ้าทำตามอารมณ์โกรธครั้งหนึ่งจะเคยตัวขึ้นทันทีก็เรียกว่แพ้อารมณ์ที่หลังจิตใจก็จะอ่อนแอไปเรื่อยๆเป็นคนชนะอารมณ์ไม่ได้ แต่ถ้าโกรธแล้วกลั้นไว้อดไว้กลืนไว้กลืนอารมณ์ไม่พยายามทำอะไรไม่พยายามพูดอะไรเพื่อสนองความโกรธเรียกว่าไม่ให้ความโกรธมันสั่งการแต่เราจะเอาหลักของความดีงามที่เรียกว่าหลักธรรมะเป็นตัวกาหนดว่าจะรักษาความดี ถ้าความโกรธมาทําให้เราเสียความดีเราไม่คล้อยตามถ้าคล้อยตามปั๊บจะเสียความดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ให้เสียความดีไม่ได้จิตเรามีความรู้สึกอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราคล้อยตามความโกรธปั๊บมันจะเสียเมื่อกลัวเสียสิ่งที่ดีงามเราเลยไม่ทําไม่พูดตามอารมณ์ในขณะที่โกรธนั้น ในที่สุดความดีงามก็ไม่ได้หลุดไปจากจิตใจของเราเรายังรักษาความถูกความควรไว้แม้จะต้องหวานอมขมกลืนแต่ว่าขมอย่างนั้นทนได้เมื่อทนได้ก็รักษาความตีไว้ได้กับจิตใจของตัวเองคุณธรรมดีๆในจิตใจไม่ได้หลุดไป ในที่สุดเป็นอันว่าเราชนะอารมณ์เพราะอารมณ์สั่งการเราไม่ได้เมื่อเราชนะอารมณ์ที่หลังอารมณ์ประเภทนี้มันก็ก่อควรเราไม่ค่อยได้เพราะเราชนะมันทุกครั้งอารมณ์นั้นจะอ่อนลงแต่คุณธรรมนั้นจะแข็งขึ้นนี่เป็นเรื่องการพูดสภาวะทางจิตใจมันมีลักษณะอ่อนแอและเข้มแข็ง ถ้าไม่รู้จักวิธีดูแลจิตใจบางทีก็จะทำให้จิตใจของตัวเองนั้นอ่อนแอลงไปเรื่อยปวกเปียกไปเรื่อยความจริงเป็นอย่างนี้สังเกตได้จากชีวิตจริงของหลายๆคนทีนี้บางคนถ้ารู้จักวิธีดูแลความคิดมีหลักธรรมะกำกับความคิด ไม่ได้ fishing, ไ hablando, uh rum, คิดไปตามนิสัยไม่ได้คิดไปตามอารมณ์แต่คิดไปตามหลักของธรรมะคิดตามหลักของธรรมะเรื่อยๆความคิดก็ดีขึ้นเรื่อยคิดตามหลักของธรรมะเรื่อยๆความคิดก็เข้มแข็งขึ้นเรื Geez ่อยคำว่าเข้มแข็งนั้นหมายความว่ามันเข้มแข็งอยู่ในหลักธรรมในความดีงามนั่นเองฉะนั้นสิ่งอื่นที่มารวน มากระทบจิตใจแต่ว่าเราจะไม่ทิ้งความรู้สึกที่ดีงามที่เราเคยฝังแน่นไว้ฉะนั้นก็เรียกมีอารมณ์มาโยกมาพลอนเหมือนกับมันมาจับจิตใจเราสัน่นแต่สั่นก็ได้แค่สัน่นแค่ความรู้สึกแต่เราไม่ยอมทำอะไรพูดอะไรตามอารมณ์ในขณะนั้นแสดงว่าเรารักษาความดีไว้อีกเช่นเคย การฝืนอย่างนี้บ่อยๆครั้งเข้าเขาเรียกว่าเป็นการฝึกบา ร, รมีคือขันติบา ร, รมีแต่ถ้ามองแบบมุมหนึ่งแบบลกโลกโล ก, การที่เราอดเราไม่โต้อตอบกับใครขณะที่เราโกรดนั้นเหมือนกับเราแพ้เขาเหมือนกับเรากลัวเขาจนไม่กล้าโต้อตอบแต่ในทางทำนั้นถือว่าเก่งมากสามารถยับยั้งอารมณ์ตัวเองได้ เก่งมากสิ่งดีๆที่มีคุณมีค่าอยู่กับวิญญาณซึ่งจะติดตามวิญญาณไปช่วยเราได้หลายภพหลายชาติสิ่งที่สําคัญจะเกื้อกูลเราไประยะนานสแสดงว่าเรามีปัญญาเรารักษาสิ่งดีสิ่งประเสริฐและจะให้คุณไประยะนานเรื่องอารมณ์เรื่องใครจะทําอะไรพูดอะไรแล้วไม่ถูกนิสัยเราถ้าเราชนะได้เราก็ไม่เสียกิริยามารยาท ในขณะนั้นแล้วเรายังได้นิสัยดีอีกติดวิญญาณแสดงว่าวิญญาณของเราก็มีนิสัยดีมากขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นหรือมีบุญบรารมีแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นคนที่ยึดมั่นในความดีงามในจิตใจอย่างมั่นคงนั้นมีแต่จะแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยอมทิ้งคุณธรรมในใจิตใจ นี่คนที่รู้จักดูแลความคิดแต่การดูแลความคิดนี้มันดูแลยากเพราะว่ามันเป็นนามธรรมามันไม่มีตัวตนการดูแลสิ่งที่มีตัวตนนั้นดูแลง่ายใช้ตาดูเลยลูกดือ้อเราก็เห็นด้วยตาลูกดมกาวเราก็เห็นด้วยตาแต่ถ้าจิตมันดือ้อมันคิดไม่ถูกลู่ถูกทางอย่างนี้ดูด้วยตาไม่ได้ ดูด้วยตาเนื้อไม่ได้คนที่จะดูแลจิตของตัวเองได้ดีนั้นต้องดูด้วยสติด้วยปัญญาเอคิดอย่างนี้คิดผิดศีลผิดธรรมไหมไม่มีใครรู้ใครเห็นกับเราหรอกแต่ถ้าคิดผิดศีลผิดธรรมบ่อยๆจิตก็เคยกับความผิดชินกับความผิดแล้วก็ติดนิสัยคิดผิดๆถ้าคิดผิดอะไรจะตามมาคนคิดผิด มีความรู้สึกผิดผิดฝัำอยู่ในจิตในใจสิ่งที่ตามมาคือจะทำผิดพูดผิดและจะเดือดร้อนเพราะการทําการพูดเช่นจิตคิดผิดเห็นว่าเพื่อนสำคัญกว่าพ่อแม่อย่างนี้ถ้า ม, มีความรู้สึกว่าอุ้ยพ่อแม่อยู่ที่บ้านทำอะไรเราเราทำอะไรก็ไม่อิสระอยู่ที่บ้านนั้นรําคาญพ่อแม่คอยบอกคอยเตือน แต่ลูกจะไม่คิดว่าเตือนนะถ้าคนไม่ชอบดีนะั้นจะบอกว่าพ่อแม่บน่นพ่อแม่บน่นรำคาญพ่อแม่ บ, นบน่นว่า้นคือจะไม่บอกว่าพ่อแม่ท่านหวังดีกลัวเราจะเสียคนพ่อแม่กลัวเราจะเสียนิสัยพ่อแม่กลัวเราจะเดือดร้อนถ้าคิดอย่างนี้ก็เราจิตคิดแบบผู้ฉลาดฉลาดนั้นคืออะไรฉลาดก็คือรู้ความจริงว่าคำพูดนั้นออกจากใจที่ปรารถนา ดีหรือบลาตปรารถนามุ่งร้ายเมื่อแม่บอกแม่เตือนคําพูดเหล่านั้นท่านพูดด้วยเจตนาอย่างไงก็ลูกของท่านที่ท่านรักท่านเป็นห่วงท่านกลัวจะเสียคนและท่านจะอยู่เฉยได้อย่างไงเมื่อเห็นลูกประพฤติไม่ดีฉะนั้นเรามองอย่างนี้มีแต่เห็นใจและสงสาร ท่านเตือนทีหนึ่งโอ้ท่านรักเราท่านห่วงเราไม่นานเป็นอีกแล้วโอ้ท่านเตือนอีกแล้วแม้วันก่อนนี้ก็เตือนโอ้ยสงสารเหลือเกินทําไมเราจะต้องให้ท่านเตือนเรื่องเก่าๆป่าเปียนปากแฉะเลยยิ่งซึง้งโอ้โหวันก่อนก็บอกแล้วเราเหลอไปนิสัยเรามันเคยตัวอย่างนี้ท่านลําบากอีกเอาต่อไปเราจะพยายามไม่เป็นอย่างนี้อีกสงสารแม่นี่คือคิดถูก นี่คือฉลาดแท้นี่คือคนมีปัญญาสามารถเจาะรู้ความเป็นจริงของจิตใจของพ่อแม่ถ้ารู้ความจริงถ้ามีปัญญาอย่างนี้คนเราไม่ตกต่ำหรอกฉะนั้นการขาดปัญญาที่ไม่คิดอะไรให้มันถูกต้องว่าดำเป็นดำขาวเป็นขาวนั้นอันตรายอย่างมากเป็นสัจธรรมที่เป็นจริงอยู่เสมอมาใครขาดปัญญาในการดาเนินชีวิต คนนั้นเสียหายแน่คนนั้นเดือดร้อนแน่ยากโยมทั้งหลายนี่คือปรารดในเรื่องจิตวิธีดูแลจิตพูดถึงว่าบางอย่างนั้นจิตมันได้ของเสียเพราะการทำไม่ดีมันเลยติดนิดสัยเสียบางอย่างพูดไม่ดีไม่รู้จักระวังเนื้อระวังตัวในที่สุดจิตก็เลยได้ของเสีย ทีนี้มันได้ของเสียมันก็เดือดร้อนนี่มันมีผลเสียตามมาลูกต้นเสียก็ต้องได้ผลออกมาเป็นเสียนี่อาหารเสียทานเข้าไปก็เดือดร้อนสิ่งไม่ดีเอาไปไว้กับจิตใจเราจะเดือดร้อนฉะนั้นเมื่อทุกคนมีจิตก็ขอให้ทุกคนพยายามดูแลจิต อย่าให้จิตเสียถ้าจะทำอะไรก็ให้คิดถึงจิตด้วยเพราะจิตมันรับอยู่ทุกขณะถ้าจะพูดอะไรก็ให้คิดให้แน่นอนก่อนว่าที่จะพูดไปนั้นมันจะเกิดผลดียังไงแกตส่วนรวมมันจะเกิดผลดียังไงแก่ตัวเราไม่ใช่พูดไปแล้วตัวเองก็เสียสังคมก็เสียมแต่ เ, เสียกับเสีย แล้วพูดทาไมถ้าพูดแล้วเสียแสดงว่าเราไม่ฉลาดเรามีความรับผิดชอบตัวเองน้อยมากฉะนั้นก็ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญต้องพิถีพิถันถ้าไม่พิถีพิถันใช้ชีวิตมักง่ายแล้วท่านจะเดือดร้อนในชาตินี้และชาติต่อไปท่านจะไปจุดทูปจุดเทียนไปอ้อนวอนที่ไหนก็ตามควันทูก มันไปช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าสิ่งไม่ดีมันอยู่กับใจของเราแล้วนี่มันจะพาเราล่มจมไปขยายความเอาเองคำว่าพาไปล่มจมเหมือนกับคำขู่ที่จริงแล้วมันเป็นความจริงด้วยเหตุผลและตัวอย่างเห็นมาเยอะที่แรกก็เห็นในตำราอาจไปพิจารณาไปซึ่งไปแต่สังเกตดูชีวิตคนแล้วตรงเลยกับตำรา ฉะนั้นด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงญาติโยมก็พยายามกระตุ้นอยู่เสมอเอาความรู้ออกมาแนะนำมาเตือนบนพื้นฐานของจิตที่เรียกว่าสงเคราะห์อนุเคราะห์มุ่งช่วยเหลือมุ่งเกือ้อกูลจริงๆเป็นการเทศที่มุ่งช่วยเหลือมุ่งเกือ้อกูลต่อผู้ฟังในขณะเดียวกันก็เป็นการเทศ เพื่อเป็นการรับใช้งานของพระพุทธเจ้าการเทศน์นี้เป็นงานของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนพระพุทธเจ้าท่านทุ่มเทมากเที่ยวเทศเที่ยวอบรมสั่งสอนการเผยแพ่ถ้าใครอ่านประวัติของพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่าการเทศในสมัยปัจจุบันนี้ต้องมีงานและต้องมีคนนิมนต์พระมาเทศ แล้วก็มีการเทศแต่พระพุทธเจ้าลองนึกดูสิท่านจะเข้าฌานท่านจะตรวจ ด, ดูเลยว่าแต่ละวันนั้นควรจะไปเทศอบรมใครควรจะไปแนะนำถักเตือนใครควรจะไปช่วยเหลือใครไม่ได้คอยให้มีงานจึงคอยเทศไม่ได้คอยถึงวันพระแล้วจึงคอยเทศใครอ่านประวัติก็จะทราบดี บางคนกำลังไถนาแต่คนคนนั้นมีองค์ประกอบพร้อมที่ควรจะเทศจะโปรดได้พระพุทธเจ้าก็เสด็จไปคือเดินไปหาที่ทุ่งนาเลยว่างั้นเถอะไปยืนคุยไปยืนพูดสนทนาแบบต้องการให้เขาเกิดความคิดที่ดีงามขึ้นเขาเรียกว่าเลือก เ, เรื่องคุยอยากให้เขาเกิดความคิดที่ดีในเรื่องใดพระพุทธเจ้าก็เลือกเรียกว่าไปโปรดหรือไปเทศไม่มีธมรรมะให้นั่ง มีคนหนึ่งเขาจะชิบหายเขาจะเดือดร้อนเขาทำบาปทำกรรมแต่เพราะเขาไม่รู้จะคิดความคิดผิดเมื่อคิดผิดก็เลยพาชีวิตไปผิดโดยไม่รู้สึกสะดุ้งเลยเมื่อตัวเองทำผิดกำลังนั่งตกเบ็ดอยู่พระพุทธเจ้าไปก็ถามมายมก็ทักทายกันขอโทษโยมชื่ออะไรชื่ออริยะครับ พระพุทธเจ้านะ่ะทราบแล้วแหละว่าชื่ออริยะแต่ว่าต้องการไปถามและจะพูดให้คนนั้นสะดุง้งเออริยะมันแปลว่าผู้ประเสริฐคนประเสริฐนี่ดีนะหน้ากราบหน้าไหว้ทั้งนั้นแหละใครที่ประเสริฐฉะนั้นยอมชื่ออริยะเนี่ยโอ้โหชื่อดีมากคนประเสริฐ ทำไมเขาถึงกราบถึงไหว้เพราะคนประเสริฐนั้นเกิดมาแล้วมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เขาเรียกว่าคนประเสริฐการทำการพูดมีแต่ดีงามไม่เสียหายเกียตนและคนอื่นฉะนั้นคนที่เป็นอริยะจริงๆนั้นจึงน่ากราบน่าไหว้อธิบายเรื่องคำว่าคนเป็นอริยะแต่ที่จริงคนตกเบ็ดนั้นหนาวในแล้วเอ้เราเนี่ยมันมีแต่เบียดเบียน มานั่งตกเบ็ดโดยไม่คิดว่าใครจะเดือดร้อนอะไรยังไงหรอกอันนี้ไม่อยากจะเน้นจุดนี้เพียงแต่ต้องการให้เห็นความดีของพระพุทธเจ้าว่าการเทศน์นั้นพระพุทธเจ้าเอาเป็นงานใหญ่โตจะมีงานหรือไม่มีงานจะถึงวันพระหรือไม่ถึงวันพระทานเทศทุกวันถ้าใครอ่าน กิจวัตรประจำวันของพระพุทธเจ้าพอตอนเย็นสักหน่อยจะมีญาติโยมทยอยออกมาวัดฟังเทศฟังธรรมพอเทศอบรมให้ญาติโยมเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เป็นช่วงของการเทศอบรมพระภิกษุสามเณรดึกๆมาก็จะแผ่กระแสจิตเข้าไปเทศอบรมพวกเทวดาโดยใช้จิตที่อยู่ในฌาน มีแต่มุ่งที่จะยกความคิดของคนให้สูงขึ้นฉะนั้นการเทศของอาตมาอาตมาจึงมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ารับใช้งานของพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าการเทศนี้เป็นงานสร้างจิตสร้างวิญญาการเทศนี้เป็นงานสร้างพพสร้างชาติหมายความว่าคนเราถ้ายังมีกิเลสจะไปเกิดในภพไหนชาติใดถ้าเราเทศ ยกจิตใจของเขาให้สูงขึ้นได้วิญญาณเขาดีขึ้นเท่ากับว่าเราสร้างภบสร้างชาติให้เขาการเทศนั้นจึงได้บุญมากการสร้างบ้านสร้างเรือนก็ก็มีประโยชน์มีประโยชน์มากแต่ไม่ใช่ประโยชน์ที่สุดเพราะเมื่อสร้างบ้านให้ก็จะได้พักบังแดดบังฝนแต่กายก็จะได้บังแดดบังฝนเฉพาะเมื่ออยู่ในบ้าน เดินออกจากบ้านไปบ้านก็ไม่ได้ตามไปให้ประโยชน์แดดส่องถูกเราฝนตกก็เปียกเรานี้ตายไปแล้วบ้านก็หมดความเกี่ยวข้องกันมันสิ้นสุดแค่นั้นมันเป็นประโยชน์เหมือนกันแต่มันระยะสั้นไม่ได้ติดตามในภพในชาติต่อไปงานเทศทำไมพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่และพระพุทธเจ้าท่านตุ้มเทมากท่านเหนื่อยมาก ท่านไม่มีรถราขี่เหมือนปัจจุบันแต่ท่านต้องเที่ยวไปเทศไปสอนคนอื่นวันหนึ่งหนึ่งหลายรอบอย่างนั้นเพราะท่านบอกว่าการเทศเท่ากับว่าเป็นการสร้างจิตของคนยกจิตของคนพัฒนาจิตของคนทีนี้การพัฒนาจิตคนให้ดีขึ้นสูงขึ้นเท่ากับว่าสร้างพบสร้างชาติให้เขาให้เขาเกิดในภพในชาติที่ดีภพอื่นๆที่มันไม่ดีเช่นภพของสัตว์ดิรัฉานมันเดือดร้อนกว่ามนุษย์ พระพุทธเจ้าประสงสารคนไม่อยากให้ใช้ชีวิตมักง่ายเดี๋ยววิญญาณมันจะเสียคุณภาพแล้วจะไปเกิดในภพของสัตว์ดิรัจฉานมันจะเดือดร้อนร่างกายมันร้อนเป็นมันก็ไม่มีทางที่จะหาหมวกหาร่มมากัน้นเอาแค่ทุกข์แค่นี้แหละมันยังไม่มีปัญญาจะป้องกันทุกข์ไม่มีปัญญาจะแก้ไขทุกข์นั่นแค่นั้น หนาวมามันก็รู้แต่หนาวแล้วมันก็ทุกทุกมามันก็ร้องแงง g ๆ n g บ้างนี่ถ้าหมานะมันครางบ้างใครก็รู้ว่าหมาหนาวนะมันร้องยังไงมันครางยังไงแต่ทำไมมันไม่คิดตัดเสื้อผ้าใส่บ้างล่ะทำไมมันไม่หาผ้าห่มมาห่มบ้างอันนี้มันเรื่องของมนุษย์ผู้มีปัญญาสูงมีบุญสูงแค่ความหนาวเราก็ป้องกันได้ในที่สุดก็เลยไม่ทุกข์มาก แต่พวกสัตว์ดิรัจฉานนั้นไม่ีอะไรในนิดในหน่อยมันไม่มีศักยภาพที่จะไปแก้ไขปัญหาหรอกเพราะเขาสร้างมาให้โง่อยู่อย่างนั้นเพื่อจะได้ไม่ป้องกันปัญหาเก่งเมื่อโง่แล้วก็แก้ปัญหาไม่เก่งจะได้รับทุกเละพระพุทธเจ้าท่านกลัวแล้วเกินกลัววิญญาณของคนจะเลวเหมือนสัตว์ดิรัจฉานและจะไปเกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานอัตมาเคยพูดดาำครั้งไม่ทวนเปรียบเทียบระหว่างคนกับ สติรัฉา น, นั้นมันทุกข์มากต่างกันเคยยกตัวอย่างคนไถนาอันนี้ก็ไม่พูดละเอียดวันนี้เพราะวะ่าท่านเคยฟังมาบ่อยครั้งแล้วว่าคนไถนากับควายที่ลากไถนั้นใครเดือดร้อนกว่ากันคนลากหนักกว่าคนถือหางไถแดดสองมาคนถือหางไถก็มีหมวกใสฝนตกมาคนถือหางไถก็มีผ้ายางเหมือนเสื้อคลุยคลุมไม่ให้ฝนเปียกตัวเอง ไอ้ที่ลากไถลากแอกอยู่นั้นไม่มีหมวกไม่มีผ้ายางมากันฝนยุงกัดลิ้นกัดมันก็ได้แต่สันหนังสันพรึบพ ร, บรบึมันไม่มีมือจะเกาจะอะไรแค่นั้นมันก็ละบากเห็นชัดอยู่แล้วฉะนั้นเพียงเท่านี้ก็ไปขยายความเอาเองให้มันกว้างกว่าคำเทศก็แล้วกันอัตมาเทศก็เทศโดยความรู้สึกอย่างนี้แหละ ว, ว่าเราเหนื่อยเราเสียบางทีเราก็เบื่อกับคําพูดเกา่า แต่มานึกดูว่างานสร้างพบสร้างชาติช่วยคนอื่นที่เรียกว่าโปรดสัตว์เราจะได้บุญเยอะเราเกิดมาก็แค่นี้แหละลูกบ้านนอกฐานะจนๆแต่เราก็ไม่มีทางใดหรอกคิดว่าความจนก็ไม่ได้ขีดกันการเป็นชาวพุทธที่ดีถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่างานสร้างพบสร้างชาติดึงจิต ด, ดึงวิญญาณของคนให้สูงให้ประเสริฐเป็นงานสำคัญ เราเป็นโลกวันนอกเรามีสิทธิ์ไหมที่จะทําสิ่งนี้ก็มองเห็นว่าเรามีสิทธิ์ก็เลยทําเรื่อยมาไม่รู้จะได้แค่ไหนแหละแต่ก็ตั้งใจเต็มที่ว่าพัฒนาจิตสํานึกของคนเสริมสวยความคิดของคนให้มันงดงามก็ลําบากในเรื่องเหล่านี้แหละในเรื่องของการสร้างจิตซึ่งถือว่าเป็นการสร้างภบสร้างชาติ ฉะนั้นถ้ามีเสื้อผ้าก็เป็นประโยชน์แต่ระยะสั้นๆมีบ้านอาศัยอยู่ดีแค่ไหนตายไปแล้วจะหอบบ้านไปด้วยก็ไม่ได้ค็ะเรียวมันมีระยะสั้นๆในชาตินี้ด้วยเหตุนั้นเองการช่วยทางความคิดทางจิตวิญญาณ น, นั้นเขาจึงถือว่าเป็นการเหมือนกับสร้างพบสร้างชาติของเขาให้มันงดงามเหมือนกับเตรียมพบเตรียมชาติต่อต่อไปให้คนอื่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า สัพพะธานังธรรมะานังชินาติการให้ธรรมะดีกว่าการให้อย่างอื่นให้อย่างอื่นนั้นก็ดีท่านไม่ได้ว่าไม่ดีนะเพียงแต่ว่าให้ธรรมะดีกว่าท่านั้นเองให้เข้าวปลาอาหารกินอิ่มไม่กี่วันก็ก็หิวอีกแล้วหรืออิ่มแล้วบางทีเขาก็ยังไม่ประเสรศิฐอิ่มแล้วอาจจะไปเป็นนักเลงอันตาพานไปชุกไปตีต่อยคนก็ได้ แต่ว่าการให้ธรรมะปรับปรุงจิตให้ดีพัฒนาจิตให้ดีเขาจะไม่เสียคนทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปนี่แหละจึงบอกว่าให้ธรรมะเป็นทานที่ดีกว่าทานอย่างอื่นเรียกว่าธรรมทานนั้นมันยอดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเห็นความจริงแล้วอาตมาก็าเกิดศรัทธาศรัทธาในความจริง เพราะคนที่เลี้ยงลูกให้ใหญ่โตดนร่างกายนะ่ะมันง่ายให้เสื้อผ้าอาภรณ์สมเรียนหนังสือจบสูงแต่ถ้าจิตใจไม่สูงนี่ร่างกายจะมีพละกําลังแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ใช้พละกาลังสร้างเนื้อสร้างตัวดอกมีพละกําลังกว่าพ่อแม่พ่อแม่แก่แล้วแต่พ่อแม่ก็ไม่ได้พึ่งพละกําลังเขาดอกคอยประพฤติตนในลักษณะเสเพเลเทอเตร เห็นแก่กินแก่เล่นแต่เที่ยวไปวันวันเรียกว่าผลาญผลาญเวลาและยังไม่พอผลาญพละกํำลังให้มันหมดไปพอแกมาสานึกได้กำลังเไม่ค่อยมีฉะนั้นเรื่องจิตใจนี่มันสำคัญถ้าใจไม่สูงหนี่พึ่งไม่ได้ก็แล้วกันจะมีลูกเป็นโลโลก็ไม่ได้พึ่งแต่ถ้าลูกดีลูกประเสริฐลูกใจสูงเพียงคนเดียวเท่านั้นพ่อแม่จะได้พึ่งอย่างสาคัญยิ่ง สังคมก็จะได้พึ่งคนดีใจสูงใจประเสริฐนั่นแหละคนรวยเงินร้อยล้านพันล้านถ้าเขาไม่มีความเมตตาไม่มีความเอือเ้อเพื่อเพลไม่คิดที่จะทําคุณทําประโยชน์ถ้าใจเขาต่ําอย่างนี้ทรัพย์เป็นร้อยๆอยล้านมันจะมาเป็นอาหารให้คนอิ่มได้ไหมแต่คนจนนั้นน้ําใจที่สูงส่งนั้นมีพละกําลังกว่าเป็นประโยชน์ มีความรู้ก็เป็นประโยชน์ถ้าใจสูงนะมีเงินอย่างนี้โอ้ยสงสารพระสงฆ์องค์เจ้าท่านรักษาศาสนาท่านกลัวความดีมันจะสิ้นสูญไปจากสังคมท่านบวชท่านฝืนฝึกตัวเองมากเมื่อท่านรู้แล้วท่านจะได้แนะนําสังคมไม่อยากจะให้สถาบันสงฆ์ต้องเดือดร้อนเออเราก็อยากได้บุญกับท่านมีเงินห้าบาทสิบบาททําไงน้อยอยากได้บุญกับท่านเก็ไปซื้ออาหารมาใส่บาตร ฉะนั้นเงินห้าบาทสิบาทของบางคนนั้นจึงเป็นเงินที่สูงค่าด้วยน้ำใจแต่เงินร้อยล้านพันล้านบางทีไม่สามารถจะไปเป็นเลือดเป็นเนือ้อเป็นชีวิตของคนเลยบางทีก็ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อชาติต่อาศาสนาอันนี้คือความจริงฉะนั้นเมื่อจิตใจเป็นเรื่องสําคัญพวกเราต้องเอาใจใส่ให้มากในด้านที่จะทาใจให้ดีให้ฉลาดให้ประเสริฐทายังไงบ้าง มันมีหลายอย่างทางไหนที่จะทำให้ใจฉลาดขึ้นขอให้พยายามทางไหนที่จะทำให้ใจดีขึ้นขอให้พยายามมันมีเยอะแยะไม่อยากจะพูดรายละเอียดเพราะมันเป็นเรื่องง่ายบางอย่างก็ฝากให้เป็นการบ้านให้ท่านไปคิดไปขยายเอาเองมันจะได้ลึกซึง้งวันนี้วันที่สิบสี่พฤษภาคมเป็นวันครบครอบวันคล้ายวันเกิดของอัตมาภาพเมื่อเช้านี้ ได้พูดไปว่าไม่อยากจัดงานวันเกิดด้วยเหตุผลอย่างไรตั้งใจว่าเดือนพฤษภาเป็นเดือนช่วงตัวเองเกิดนั้นจะไปเก็บตัวปฏิบัติทรรมหาวิเวกแต่แล้วทำไมถึงมีการจัดงานเมื่อเช้าได้อธิบายรายละเอียดไปแล้วว่าไม่ใช่อัตมาจัดเป็นเรื่องของโยมอัตมาพูดละเอียดแล้วเมื่อเช้านี้จะไม่ขอพูดอีกเป็นอันว่า เกิดขึ้นได้ด้วยน้ําใจของโยมที่เขารักเหมือนลูกเหมือนหลานเขาก็ฮ่วงอ่จะเกิดจากความนับถือก็แล้วแต่แต่ตามายอมรับว่าเป็นน้ําใจของคนอื่นเขาแสดงออกอันนี้เมื่อเช้าก็เลยมีลูกติดพันจากการได้พูดไปเมื่อเช้าว่ากังวลมากตอนเช้าเนื่องจากโยมก็มาเยอะก็ไม่อยากจะ พูดอะไรมากเดี๋ยวมันจะสายและพระ